ที่กรุงเทพแถวฝั่งทนมีวัดวันหนึ่งนะชื่อวัดสเวตชนะชื่อเต็มวัดสเวีตะชัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระนี่รู้จักดีนะอาจจะลงนถึงญาติโยมด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีชื่อด้านพวกของบริขารบริขารพระเนี่ยจีวรบาทกรดย่าม แล้วก็ของกระจุกกระจิดทั้งหลายเนะี่ยอันนี้ก็ที่วัดเสวตาฉัตเข า, เามีร้านนะขายของพวกนี้นะมีชื่อแต่ว่าเรื่องที่จะเล่านี่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องราวในปัจจุบันนะย้อนถอยหลังไปเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนะสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่6กะ มัสเวส่นี่มีเจ้าวาดชื่อพระจันบุญพระจันบุญนี่เป็นพระนักเทศท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเทศในหลายที่มีคราวหนึ่งก็ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศที่แถวปากน้ำสมุทรปรา ก, การสมัยโน้นเนี่ยต้องเดินทางด้วยเรือนะ ถึงจะไปเร็วแต่เร็วนี้ก็หลายชั่วโมงนะท่านก็กับลูกวัดนะก็นั่งเรือเรือภายนะไปลงที่แถวด่านสำโรงแล้วก็จากด่านสำโรงก็ก็ต้องจ้างเรือไปที่วัดซึ่งจัดงานนะปากน้ำ เจ้าของเรือภายเนี่ยชื่อในดำนะก็ประมาณว่าปอกกับทางพระอ า, าจารย์บุญว่าภายเลยสักสองาชั่วโมงก็ถึงกันนะแต่พอภายไปได้สักชั่วโมงพระอาจารย์บุญก็กับลูกศิษก็นอนพักผ่อนนะหลับไป ส่วนในดำนี่ก็พอเห็นพระหลับก็เลยถือโอกาสแวะขึ้นฝั่งขึ้นไปทำไมนะไปเอากัญชานะไปเก็บกัญชามาเก็บกัญชามาแล้วก็เอามาไม่รู้กินหรือสูบนะกินจนเมาเลยเคลิม้มพายเรือแบบเมาๆเนี่ยพายไปก็ ตลอดทางบอกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะพายไปสักสองชั่วโมงได้มั้งปรากฏว่าวนกลับมาที่เก่านะที่ด่านสำารงไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าเมาเนี่ยนะเมากัญชาพระอาจารย์บุญตื่นขึ้นมาพอรู้ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยแถมมันใกล้เวลา ใกล้เวลางานแล้วโกรธมากเลยนะเพราะว่าจะเสียงานแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่นัดคำไหนแล้วก็ต้องคำนัดแล้วกดขึ้นมาทำไงนะก็ถามในดำว่าเป็นคนที่ไหนนะมึงเป็นคนที่ไหนนะหัวรอยุธยาครับมึงรู้จักนั้นมึงดูมองหน้ากูดีๆนะ นายดำก็มองหน้านะก็เห็นแผลเป็นนะเป็นรอยเป็นทางยาเลยตรงหน้าผากประมาณสี่นิ้วได้แล้วพระจำ บ, บุญก็ถามต่อว่ามึงรู้จักเสือบุญไหมเสือบุญอายุทยาเนี่ยรู้จักครับกูนี่แหละเสือบุญนะนั่นตกใจเลยนะแล้วหลวงพ่อ พระอาจารย์บุญก็พูดมาว่ามึงต้องรีบพายไปให้ถึงนะก่อนก่อนสว่างนะถ้าไปไม่ถึงมึงตายนะไอ้นั่นตกใจเลยนะเพราะว่าเคยได้ยินกิติศัพด์เสือบุญเมื่อหลายปีก่อนไม่คิดว่าจะมาเจอเสือบุญนะต่อหน้าต่อตาก็เลยรีบพายเลยนะจกนกระทั่งถึงวัดที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเนะี่ยก่อนสว่างจริงๆนะ ก็เลยเรื่องก็เลยมารู้กันว่าอ๋อเจ้าวาดเนี่ยนะก็คือเสือบุญนะเมื่อหลายปีก่อนเสือบุญนี่เป็นเสือที่มีชื่อมานแถวยุทธยาแล้วก็ป่นจี้เป็นประจำนะบางทีก็ทําร้ายนะเจ้าทรัพย์ไม่รู้ถึงตายหรือเปล่าแต่มีค้าหนึงไปพาธาตเสียทีนะเจ้าของบ้านนี่เขารู้แก่วนะเขาดักรออยู่ พอเสบุญเข้ามาบ้านนี่เขาก็เอาขวานนี่จามเลยจามใส่หน้าเลยนะก็เกิดเป็นแผลเหวอะใหญ่เลยเสี่เสบุญนี่ต้องล่าถอยอ่ากระเซะกระเสิงนะกโดดลงน้ำนะเพราะสมัยก่อนบ้านเรือคนเนี่ยก็อยู่ติดน้ำก็อาศัยเนี่ยอ่ากอผักตบผักชวาอเลยนี่แหละนะเป็นที่หลบนะกำบังตน แต่ก็เสียเลือดมากสุดท้ายก็ต้องขึ้นฝั่งนะก็ไปเจอวัดวัดหนึ่งนะก็เลยกระเสือกกระสนขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าวา่าแล้วก็บอกเจ้าว่าว่าถ้าไม่ตายเนี่ยนะจะบวชสักพรรษาหนึ่งนะเฮานเจ้าว่านี่ท่านเป็นหมอยานะท่านก็เลยช่วยชีวิตนะเสื้อบุญไว้ได้เสื้อบุญ น, นี่พอลอดตายนี่ก็ทําตามที่รับปากนะ ก็คือว่าไปบวชนะแล้วก็ไปเลือกบวชที่วัดเสวตชัดนะไกลๆยุทธยาหน่อยนะเพราะว่ายุทธยานี่ยนะคนรู้จักชื่อลือกรชอนมากบวชพรรษานึงแล้วก็เกิดศรัทธานะในพระธรรมนะเพราะว่าได้สัมผัสกับความสงบเย็นนะก็เลยบวชต่อไปเรื่อยๆไม่ได้บวชเปล่านะศึกเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย ได้ถึงประโยคสีนะประโยคสีนี่ก็ถือว่าเก่งนะเพราะสมัยก่อนนี่พระน้อยรูปนะจะได้ถึงประโยคสีเรียกเป็นมหาแล้วต่วหลังก็มีความรู้จกนกระทั่งได้เป็นเจ้าวาดสอนก็เทศนะสอนทำเป็นที่รู้จักคนเนี่ยเขาไม่เอยรู้นะว่าเจ้าวาดนี่เคยเป็นเคยเป็นเสือหรือเคยเป็นผู้ร้ายมาก่อนแต่เป็นผู้ร้ายที่มีชื่อมากนะทางการก็ตามล่าตัวอยู่ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะของเจ้าวาดพระเสวยตชัดนะซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายมาก่อนนะแต่ว่าก็สามารถกลับตัวกลับใจได้แล้วก็เป็นเจ้าวาดถึงสี่กว่าปีนะจนมรณ า, ามารณาภาพไปเมื่อสอง0น้รอยี่เองปีเดียวกับเทวตามาเกิดอันนี้ก็น่าคิดนะเจ้าวาดเนี่ยตอนที่ช่วยเสือบุญเนี่ยนะก็คงรู้ว่าน คงรู้นะว่าเนี่ยเป็นเสือเป็นผู้ร้ายนะแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปบอกตำรวจให้มาจับนะท่านก็เห็นว่าคนเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ต้องช่วยนะก็ช่วยนะจนกระทั่งไม่ตายนะท่านก็คงต้องมีศรัทธานะมีศรัทธาว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสือทั้งคนเนี่ยนะาจะไปบอกตำรวจก็ไม่ได้ยากอะไรนะ แต่ถ้าคิดว่าไหนๆเขามาถึงนี่แล้วนะช่วยคนหน่อยแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเสือบุญจะทำตามสัญญาคือว่าหายแล้วก็จะบวชพระคนสมัยก่อนเขาก็มีสัจจานะจะเป็นเสือเป็นผู้ราย เ, ยเนี่ยยิ่งรับปากกับพระแล้วเนี่ยยิ่งต้องทำตามแล้วพอรอดตายก็ทาตามจริงๆเจ้าว่านี่ก็แม้จะร่ดเป็นเสือก็ถือว่ามาวัดแล้วก็ ความผิดอะไรที่มีก็ถือว่าโมฆะกันไปนเพราะคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่ใช่มีแต่องคุริมาณ น, นะที่ปรับตัวกับใจได้แ้ะสมัยก่อนเนี่ยพอมาถึงวัดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็มีโอกาสจะได้รับรสพระธรรมจริงๆนะอย่างเสือบุญเนี่ยพอมาได้บวชร้างบรรษาหนึ่งก็เกิดความซาบซึ้งนะ แล้วก็ตัดสินใจบวชแล้วก็บวชจนตลอดชีวิตวัดสมัยก่อนยังเป็นเขนภพยทานจริงๆนะสมัยวิทยาเนี่ยเกิดมีขุนนางคนไหนก่อกอบฏนะหรือแล้แต่พระบรมงสานุวงศ์เนี่ยก่อกอบฏแล้วก็ไม่ชนะเนี่ยหนีตายเนี่ยหลายคนก็จะหนีเข้าวัดนะ นีมาอยู่วัดมาอยู่ในเขตปุโบสถนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยถือว่าถ้ามาอยู่ในวัดแล้วนี่ก็ถือว่าปลอดภัยพระราชอาทยานี่ตามไปไม่ถึงนะพระราชานี่ก็ก็ต้องปล่อยนะ ท, ท, ทั้งที่รู้ว่ากบฏนี่มามาหลบตัวซ่อนอยู่ในวัดนะส่วนใหญ่พอมา พอมาหลบลี้หนีภัยในวันแล้วก็มักจะบวชนะบวชพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ทําอะไรแต่ก็คอยจับตานะมีบางรายนี่ก็พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ไม่ค่อยไม่วางใจเท่าไหร่ไอตอนบวชพระก็ไม่ทําอะไรนะแต่ก็หาทางรอนะรอให้ศึกนะพอศึกก็ถูกจับไปประหารชีวิตเลยก็มีนะแต่ถ้ายังบวชพระอยู่เนี่ยนะ พระราชอาญยานี่จะไปไม่ถึงไม่ทําอะไรอันนี้ก็เป็นประเพณีของคนไทยสมัยก่อนนะว่าวัดนี้มันเขตอภัยทานจริงๆไม่ต้องติดป้ายนะจะเป็นโจรผู้ร้ายจะเป็นกบฏถ้าหนีมาอยู่วัดแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าทําตัวไม่ถูกต้องเจ้าวัาก็ไล่ตะเพิบเหมือนกันนะเช่นมาวัดแล้วนี่ก็ยังคิดซ่องสมก่อกบฏ หรือว่ายัางทําเป็นโจรผู้ลายนี่เจ้าว่าท่านก็ไม่ปล่อยนะท่านก็ก็ไล่บอกไปสมัยรัชกันที่สเนี่ยท่านเคยโกรธนะหลวงพ่อโตนะขนาดไล่เลยนะไล่บอกว่าให้ออกไปจากแผ่นดินของพระองค์หลวงพ่อโตท่านก็ไม่เถียงนะท่านก็ไปนะแต่ไม่ได้ไปไหนะก็ไปเก็บตัวอยู่ในโบสถ์นะก็ชันในโบสถ์นะเวลาจะอุจจาระปัสสวะก็ทําในโบสถ์นั่นแหละ ไม่ยอมลงมาจากโบดถ์นะจนกระทั่งและการที่สี่ท่านหายกโกรธแล้วก็เลยอนิมนต์ให้หลวงพ่อโตนี้เข้าเฝ้าเนี่ยแล้วก็ถามว่าเนี่ยหายไปไหนมาท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในโบสนั่นแหละแล้วการที่สีก็เลยถามอ้าวทาไมไม่ไปให้พ้นจากแผ่นดินแล้วหลวงพ่อโตก็บอกว่าก็ในโบสนี่มันเป็น แผ่นดินของพระพุทธเจ้านะเป็นดินแดนของพนะระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าพุทธาวาสนะไม่ใช่ดินแดนของพระเจ้าแผ่นดินคนะือสมัยก่อนนี่กษัตริย์นี่เขาก็รู้นะว่าอำนาจของพระองค์เนี่ยมันอยู่แค่ไหนนะถ้ามาถึงกำแพงวัดแล้วก็จบแค่นั้นแหละไม่สามารถจะเข้าไปต่อนะถึงภายในวัดได้ แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพระทำผิดไงก็ตํำรวจก็สามารถจะเข้าไปจับในวัดได้สมัยก่อนนี้ก็ถือมากนะแม้กระทั่งมีดหอกดาบนี่ก็ห้ามเอาเข้าวัดเพราะวันนี้เป็นเขตอภัยทานจริงๆแล้วคนที่มาวัดนี่ก็ไม่ว่าจะมีความเจ็บแค้นมาอย่างไรพอมาอยู่ในวัดแล้วก็ต้องนะละเลิกความโกรธความแค้น อย่างหลวงปู่ดูเนี่ยหลวงปู่ดูพระมะปัญโยเนี่ยที่มีชื่อมากาเป็นกีอาจาร์เกจิอาจารย์เนี่ท่านตอนที่มาบวชนี่ไม่ได้บวชเพราะศรัทธาในศาสนานะบวชเพราะว่าอยากจะเรียนวิชาเวทมนต์คาถาคงกับพัญชาตีจะได้ไปแก้แค้นโจนนะเพราะโจเนี่ยมาปนบ้านท่านปนบ้านพ่อแมาท่านหลายครั้งแล้วแค้นมากนะ ไม่รู้ที่ทยังไงก็มาบวชพระเพื่อจะมาเรียนคาถานี่ยนะแต่บวชไปแล้วก็ก็รู้ว่าความแค้นนะความโกรนนี่มันมันไม่ดีท่านก็อโหสินะแล้วก็ไม่คิดจะศึกไปแก้แค้นก็บวชไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตอายุก็ร้อยปีนะพรรษาก็แ80ดสิบได้นะอันนี้ก็เป็นอนิสงฆ์นะของการบวชนะเป็นธรรมเนียมของวัดนะที่ว่าไป็นแค่พยาธาน แต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมเลือนกันไปเยอะแล้วนะมาวัดก็ยังมีความโกรธความแค้นนะอันนี้ไม่รู้จักปล่อย่รู้จักวางเราก็ต้องเรียนจากประเพณีนะดั้งเดิมบ้างอัดละเตรียมรับพร